กำหนดตามอัธมคำสอนของพระพุทธเจ้ามักผลดูที่ใดโอตตากวขึ้นใจใจทั้งสงจะจ้องหาดูที่อื่นมักเป็นของสิ่สั่งเอาได้ผลจะตากขึ้นเมื่อใดนั่นเป็นเห่ขาผลขอให้เร่งทําม่าความเทียนออกไปปฏิบัต รักษาจิตรักษาใจเราได้ขอบเดของอัตถะคนนั้นในวันดกวันหนึ่งจะถึงแดนคนถึงโดยสองฝ่งไราเดินทางสายเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับครูอาจารย์คีรนสุพิปฏิบัติมากก่าเทางเป็นอย่างไรสายทางคีรินไปถึง เรเดินตามเส้สายอันเดียวกันเ่อเห็นบทเป็นอย่างนั้พยายามเดินอย่ยุด่ไพักอย่าไปตจะเปนทางมีสสขมีปัญญาอยไปคิดตามอารมณ์ของชีวิตปัญหาอ่าไปเถิเพลิในสิ่งที่ยู่นวุจิใจ หมอมมัวเมาหัวเทล่อนต่างๆใยาบังคับจิตจิตามอัตชั่มทายเ่งของกายเฮอยแกทายเข้ า, าไปหัวใจจะเหตามตจริงได้นีทางทาจิตทาใจใรับความสงบความสงบทางปฏิบัติมันจะ ท, ทางอืน่นจะรับไปที่ไหนรับไปเอะ ถ้าหากไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีทํามเทียนรัดไปขนาดไหนก็ไ่ถูกจุดให้ตกหนุ่โตบกบ่อเงินหายตายไปเยอะป่าถ้าหาตั้งใจกำหนดห่างใจเร่งจิตที่นี่ะะน ท, นที่เจรนาจะขอบเขตของธรรมคนนั้นแหละ ถึงเึงจิตจิตเื่มุดควมีความเบาความสบายไปตามระยะจิตใจเีื่อที่มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นฝนฝนเราการประบัติปฏิบัติของสนเชื่อมั่นสนใจอยากจะทํามรรคผลพออนุสง เราเห็นเด่นในใจหนึ่งความฝูงฝูงของใจยึดยังไงเคยเห็นเคยเนอย่างไรเราก็ทราบเมืมาเห็นมาเป็นได้รับทำสะดยกสบายทำสุขของใจอย่างไรเราก็ทราบอีกเมื่อมีเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจะได้ให้ใจเชื่อมั่นถ้าไม่ได้เราเชื่อ ไทยเราในศาถนาความสุขเทยาในศาสนาความสบายในว่าตัางแต่มนุษย์สับมันก็งต้องการความสุขทุกไปห น, นึ่งต้องการไม่ปม่ศาสนาหมดประโยชน์พบสุกขโดยการต้องเลืปฏิบัตินังตัวนีใจเชื่อมั่นอยากต้องเลือปฏิบัติถ้ามีคูณขึ้นไปเป็นผลที่สุดหยุดหลุ ด, ด, ดจากเรื่องของโลก เป็นอย่างไรก็่าแบบนี้ข่อสงสัยในตัวเองไม่ ต, ต้องไปไปถามใครเพราะไปถามคนอื่นท่านก็จะพูดอย่างนี้ถ้าท่านเป็นท่านเห็นท่านไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องสงสัย ใ, ในใจของตูอัวห ท, ที่สิตของสมวจันทร์ของศาสนาผู้เห็นผู้เป็นจะใจจัก ในจิตในใจตองเป็นเองเหยือนที่สึดเราต้องใจศึกษาเหมือ น, นกันกับอิ่มไม่ต้องเราถามใครเราอื่มอย่างไรควรอื่มก็อิ่มก็เป็นอย่างนั้นข้อสําคัญทําอย่างไรขึ้งจะอิม่มทำสอนก็คือให้กินกินเรือยใจตามอิม่มจะปรากฏขึ้นมีการปฏิบัติใจก็ทํานองเดียวกันแต่มีความเทียง มีความเพียนมาหยุดม่ถอยต่างหน้าต่างตาพยายามทำความเพียนอยู่มอไปก็จะเห็นความหลุดทองใจความฝัน้องใจแตจิงว่ายสมัจเจติงพุกไ้ได้เพราะความเพียนเพียนชั่วก็จะเกิดทุกข์คือความ เดือดร้อนเผาตัวเกินดีกิจะเกิดสุขมีความปล่อยวางเหนื่อยไปเป็นที่สุดขอจิตขาใจเป็นอย่างไรก็ทราบดีไหนมีปัญหาอะไรขอให้ตั่งใจพยายามขาเกียนจะทําบําเพ็ญมีสติมีปัญญารูนึกอยู่เสมอ เรามาภาวานาเรามาปฏิบัติใแต่ okay, เรามาเล่นเรามาเพลินเตือนตัวอยู่สมายเสมออย่างนั้นจิตใจก็เเตือนที่ไปู่ตัได้การปฏิบัติตัวง่ายเพราการระวังรักษาหนเวลาจะเข่าขี่ภาวานาเวลาจะเดินยังคงจึงแล้วลึกถืออาจทำ เวลาธรรมดาสบายปลอยใจมันไปใส่คอะไรมันเลยยุ่งเหยิงไปหมด่รักษาเอาไว้เมื่อเวลาจะใช้เวลาจะทหากว่าจะได้มแทบตายาเห็นเลยอาจทส่วนนั้นแจึงให้รักษาจิตรักาใจของตนคิดอะไรปรุงอะไรหามิ จะรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของอัตของทรรมอันนี้เป็นเรื่องของอูปสัของอัตธรรมในความคิดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ม า, ามสปธิตสาธิตองตรปล่อย ท, อทิ้งไปถ้ามันเกิดขึดถผ่านมาส่วนอัตธรรมเราต้องรักษาเศรษิปัญญาของเรามีทา ระยะเวลาม่มีใครที่จะรักษาให้นอกจากตัวของเราจะรักษาใจของเราเองฉังนั้นขอทุกท่านจงนำรรทรนะเสียทธิบายมาไปประบัติปฏิบัตริรักษาที่มีพิการณากายใจท้องตัวแล้วกว็จะละชั่วดูเห็นตามเจนจริงในทางศาสนาอย่าง พรกพุทธเจ้าเรื่อรียสาวกทั่วไปจิตใจรู้เห็นเป็นมาดังนั้นการอธิบายธรรมะจะยากพอสมควรตัวเวลาของจิตใจในยุคนี้เลยธรรมะทางศาสนาสื่อสั่งตั้งใจทางสั่งใจสั่งพลัวการสบายวันนี้เป็นวันประชุมพิเศษนอกจากวันธรรมะสวนรค วันนี้เป็นวันธรรมาสวรรค์จ <c oughs> ิตธรรมสูงวกย่าโดนฟังเรียกน้อย <c oughs> การฟังธรรมคนต้องตังต้งใจฟังพาทำคำสังง่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็ใ ส, สองเล่นเป็นสองจิตมีสาระประโยชน์สำหรับ มุตระดบจับฟังนำไปปฏิบัติคนเรามีบ่อยู่งเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจวุน่นวายต่างๆนาน า, นาเนื่องจากขาดธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตัวยังไม่เข้าถึงธรรมะในจิตขันน์ใธรรมะในจิตในใจของขัน บริบูรณ์แล้วท่านมีความสุขถึงร่างกายของท่านจะเป็นทุกข์เหมือนคนธรรมดาแต่ที่ว่าจิตใจของท่านมีความสุขความสบายอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นอาจาริโกแต่มีการพอธรรมะนั้น <c oughs> เป็นของที่ยังจิตใจให้เบิกบานบริสุทธิ์ผุดของ ในมีความเศ่้าหมองขุ่นโมมีเศ่้าหมองขุ่นโม่มีวุนวายต่างเนื่องจกักมีเรศตันหาอายุชาุตาทานซึ่งเป็นเรื่องปกคุมซุ่มห่อความบริสุทธิ์ของจิตดังนั้นทางธรรมะทผ่นจึงสอนให้สำระอย่างเหล่านั้นออกไป โดยการต่อคิดปฏิบัติอัดทำที่พระพุทธเจ้านำมาสอนจิตในสงบปุ่งปรุ ง, ปงไปต่างๆเจ้าตัวใน้องการแต่ก็บังคับไม่อยู่จิตปุุงปุ่งไ ป, งปงในเหนือเวลาควรหลับควรนอนใจจิตใจก็อปรงไปคิดไปตาหลับ ใจคิดในเกิดความไม่พอใจในตัวเองลำบากลำคาญอย่างนี้ทุกคนที่มีอายุแก่ก็เคยประสบพบเห็นนี่คือเรื่องจิตใจที่เคยสึกหักดัดแปง้งตัวเองทางศาสนาจึิให้รักษาเรื่องจิตใจ ใต่มีความสงบตามความต้องการของตนความสงบนั้นท่านผี่เคยกระพึตปฏิบัติเคยสึกหัดัดตัวมาผูรู้ดีว่าวิธีจะให้จิตสงบทำอย่างไรแต่บางท่านบางคนยังไม่เคยสึกฝนอบรมไม่เคยได้รับตะดัังมาก่อนกไม่รู้จัก วิธีที่จะทําจิตของตอนให้สงบนั้นพระพุทธเจ้าควรจะผูกขาดว่าเป็นฆราว่าสหรือพวกนัก บ, บวชเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วก็ไม่ผูกขาดว่าทาอย่างนี้จิตจะสงบได้ท่านสอนอุบายหลายอย่างหลายทางที่จะให้พวกเราท่านนํามาเพื่อปฏิบัติตัวเอง เป็นตัวว่าการบริกรรการบริกรรมผมมีหลายคำหลายอย่างแล้วแต่การนิสัยของคนชอบแต่บริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออรหังเยสาโลมานะคะทันตาอะไรได้เช่นนั้นค่านิสัยของเราชอบในคำบริกรรมอันใดก็ให้ปลูกใจมัน่นแต่คำบริกรรมอันนี้แหละ ่าทำจิตทำใจของเราให้สหงบระงับในเหมือนเวลาบริกรรมอยู่นั้นให้ปลุกใจมั่นเอาสติจดจ่อเมื่อเกิดสัญญาอารมณ์ขึ้นจากจิตเองอยากคิดนึกไปในส่วนอืน่นก็ให้ห้ามจิตของตัวไว้ไม่ให้จิต ไปตามตัณหาอารมณ์ที่บจุ้งขึ้นหรืออารมณ์ที่ผ่าน ม, มาก็เหมือนกันแต่ถือว่าเราจะบริกรรมทำนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าหากจิตของเรายังไม่สงบระงับลงรวมเมื่อใดจะตั้งหน้าต่งตางๆบริกรรมอยู่อย่างนี้เพราะการคิดนึกจีบจุ้งต่างๆหรือติดตามอารมณ์เราเคยติดตามกันมาเป็นระยะเวลานานจิตของพวกเราท่าน สิ่งทีตามอารมณ์เหล น, นั้นในช่วงสงบลงนักในช่วงเห็นความสุขจากอาจากัจฉริยธรรมเชื่อมั่นว่าทำบริกรรมของเราจิบริกรรมอยู่นี้จะนําความดีคือความสงบรรสุขมาให้และตั้งใจบริกรรมอย่อยางนั้นเมื่อใดยังบริกรรมได้เราไมปต่อทาบริกรรมของเราจนเมื่อใดจิตใจรวมรวม เป็นหนึ่งขัสั่นยาคือความจำเวทนาคือสุขทุกต่างๆเงวนเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาและเอกขจารู้เฉยอยู่นิ่งอยู่เสียงอื้องอะไรทั้งหมดส่วนภายนอกนี่แต่ตายของเรา ความเศร้าว่ามันนัง่งมันนอนหรือมันอยู่อย่างไรจิตใจตเนี่ยจะเกี่ยวข้องเพราะจิตใจรวมความสุขความสบายที่ถาจากปัญญาอารมณ์จิตใจลงรวมอย่างนั้นจะเกิดความเชื่อมันอ่นอัศจรรย์เพราะความสุขส่วนนี้เป็นความสุขี่เศษซึงเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเชื่อมัน่น อยากจะกตะทำบาเพ็ญอยากจะเห็นจะรู้ทุกระยะเวลานี่เป็นเรื่องาการปฏิบัติธรรมาะของพระพุทธเจ้าในเส้าสูงความสงบความสงบส่วนนี้เป็นพื้นฐานที่จะคิดอ่านอะไรจะรู้เห็นตามเป็นจริงได้ถ้าหากยังไม่มีความสงบระงับในจิตในใจขาดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต ถึงจะมีสติปัญญาคิดอ่านด้านอื่นได้มากมายขนาดไหนก็ดีก็เป็นสัญญาคือความหมายไม่เป็นปัญญาที่จะละถอนกิเลสได้ฉะนั้นคนเราที่เคยศึกษาํำหรับตำลาทางอัจฉ ร, ร, รียนจนจบนักธรรมตีโพรเอหรือ เรียนก้าวต่อต่างถ้าหากไม่เทศปฏิบัติฝึกหัดตัวเองจิตไม่มีสมาธิรงงวมเห็นความอัศจรรย์แล้วคนนั้นวิเลตัญหาในใจจะไม่มีเวลาตกหล่นออกไปจะเพิ่มทิพยิมานะว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมามากมายสายกองทำนี้เป็นของปลอมเรียนม า, มากเท่าไรจิตใจก็ยัง ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรที่เดียดตันหามาน้าคิดคิดยังคงที่อยู่อย่างเต่าความเห็นของเขาอาจจะเป็นไปแบบนั้นแล้วก็ไม่เชื่อว่ามรรคผลเิตุานจะมีอยู่เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ า, าเป็นโมฆะแต่ก็จริงสำหรับเขาเพราะเขาไมา่ได้เปิคิดปฏิบัต เขาเป็นโมฆะธรรมะก็เป็นโมคะแตกต่างถ้าหากผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำจริงจังใน้องศึกษามากมายอะไรแต่ตั้งใจกำหนดจิตจริงจังรู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวเองถึงจะไม่มีวาทะปฏิภาณสามารถอาจหันแต่เธอว่าจิตใจคงขาน เป็นไปในอัธรรมจริงจังรู้เห็นเด่นชัดความสุขความอัศจรรย์ในธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจเชื่อมั่นลงมือประพฤติปฏิบัติละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญรู้เห็นทุกระยะเวลาการกระทำของเขาเขาเชื่อมั่น และได้รับความสุขและกิเลสตัณหาจิเคยจิขตข้องเศร้าหมองของใจออกไปทุกการทุกเวลาจนจิตหมดจดจากกิเลสตัณหาเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครเพราะเห็นจริงในตัวธรรมะเห็นสีน่คิจโกเห็นเองเป็นปัจจัดต่างเฉพาะตัว ผู้เห็นเด่นชัดอยู่อย่างนั้นหมดจะอ่านไม่ออกเขียนในเป็นกว่าตา่างจะไม่มีความสามารถในด้านอื่นกว่าตามแต่จิตของท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้จิตหมดสมุหมดจิเลตเมื่อท่านมรณาภาพเมื่อใดก็ได้ชื่อว่าท่านปริรนิพานเพราะจิตของท่านบริสุทธิ์ มี่พวกเราท่านยังไม่เป็นอย่างนั้นความสงสัยเป็นข้าศึกศัตรูอันหนึ่งซึ่งทําจิตทําใจใไม่รวมรวมได้ในมนิวทั้งหะท่านเรียวกว่ารีบปิดปิดขาคือความสงสัยจะเอาแบบไหนดีจะทำอย่างไรจึ่งจะเป็นไปเสวยความสงบสงัดอาจจะเกิดความสงสัยลังเลใจ่ในแนนอนเมื่อยังมีความสงสัยในจิต ใ, ในใจอยู่จิตก็รวมรวมไม่ได้ ทำอะไรต้องตั้งหน้าต่างตาทำจริงให้ดิ่งลงไปสู่ความสงบสงัดนี่ได้ชื่อว่าสมาถะวิธีปฏิบัติจิตใจของตัวให้สงบสงัดให้รวมให้รว ม, ใ ห, รวมให้ได้ความสุขเชื่องจะได้ความสงบรวมรวมของจิตเท่านั้นก็เชื่อมัน่นใครเขาจะว่ามรคนิทานไม่มีปฏิบัติดีเท่าไรไม่เห็น มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอารหันต์อรหารใ์นมีในโลกพ็เป็นลมปากของเขาไม่มีก็อยู่กับใจของเขาเราผู่เห็นผูมนไม่ไดรัจย์ไหวไปตามลมปากของเขาอย่างนั้นหนีไมยถึงขัน้นผูเ่เผอผิดปฏิบัติจริงจังไม่เคยเลยหลงงมงายไปตามลมปากของคนเขาะจะหวดีไหวชั่วเป็นเรื่องของเขาแต่เราเป็นอย่างไรจิตใจของเราถ้าชั่วเขาชมว่าดีขนาดไหน มันก็ชั่วอยู่ตลอดเวลาอยู่14ชั่วโมงถ้ามันดีเขาจะตั้มนิทั้งบ้านทั้งประเทศมันก็ดีอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้วันไหวไปที่ไหนเพราะผู้ปฏิบัติดูจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่เข่าข้างออกขาเหือนเหลืองของโลกนี่คือการปฏิบัติธรรมพวกเราท่านที่อุตส่าห์พยายามมาจาัดสถาน ไกลเวลานี้ขัตั้งใจจะมาะต่อพืชปฏิบัติมาทำความสงบสงัดของายของกิตไม่ใช่มาเล่นมาสมป่ามาทัฒนาจรฉดังนั้นขอจงพากันมุ่งหน้ามุ่งตาต่อพืชปฏิบัติทำความสงบสงัดของใจให้ได้เล้วปล่อยใส่วันคืนหมดไปเสียบปล่าอุตส่าห์พยายาม บังคับบัญชาจิตใจของตนทุกวันทุกเวลาเพื่อให้มีสติระลึลกนึกถึงธรรมคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าจะบริกรรมว่าให้มีสติตามกับเดีย๋ยวทำบริกรรมของตนจะพิจรารณาเอาไว้จังหวะร่างกายต่างๆเพื่อให้เห็นตามเป็นจริงก็ให้ตั้งใจภาวนาพิจารณาจริงจังในอย่างนั้น การอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่เหวที่ไหนก็าตามถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติอัดทำแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่ได้อัดได้ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีไม่เด่นขึ้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับอาหารถึงจะมีดาดเดินอยู่ก็าตามถ้าหากเราไม่รับทาน อาหารนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลอเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นสุขยิ่ม น, น้ำจำแานด์ได้แต่ฐานที่ความจริงก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งฉะนั้นทางศ า, า, าสนาพระพุทธเจ้าทผ่นจึงสอนนักบวชห้อยู่ในเสนาสนาป่าเพื่อให้ห่างจากรูปเสียงต่างๆคือทาง ตายะ ง, งกไม่มีอะไรมาก่อกวนเห็นผ่านเสียงก็ไม่มีผู่คนไปจ้าคนก็ไม่ใส่เห็นผ่านเวลาเราภาวนาก็มีเวลาเต็มเน็ดเต็มหน่วยที่จะภ า, าวนาได้จึงว่าเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งยื่นให้สอนให้ยิบตุแสแวงหา โยพาพร้เจดว้จรทั้งหลายท่านต้อเพื่อปฏิบัติได้ในสถานที่อย่างนั้นจึงบรรญัติให้มีเสนาสปนาตาหาสถานที่สงบสงัดเมื่อไปถึงที่สงบสงัดก็ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าให้สงบสงัดจะภายนอกให้สงบสงัดเข้าไปถึงภายในด้วยใจของตัวเองด้วยอัดทำมุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติ ทุกวันทุกเวลาเล่นเสียตะหลับตื่นมาก็าจะต้องที่จะรายนาตื่นมาก็าจะต้องบริสตามตามฐานะหน้าจีพงองตนอยู่ือผู้มุ่งไปปฏิบัติผู้อย่างนั้นจะทราบเหตุผลว่าสถานที่นั้นเป็นมงคลสถานที่นั้นเป็นอัปมงคลสาหรับตนพงตนเพราะผู้ปฏิบัติอยู่ทุกระยะเวลาไม่ปล่อย แติท่นี้ไปที่อื่นกำหนดอัดคำอยู่ทุกเวลาเวลาอย่างนั้นสถานที่ั้งแห่งพอไปกำหนดทีนี้พิจารณาธรรมะที่เราเคยรู้เห็นเป็นอยู่ในจิตในใจแต่ก่อนเคยกำหนดได้สะดวกสบายแต่ถ้าสถานที่เป็นอัปโมคคลเป็นอสัพยะ ทางศาสนาทา่านพูดภาวนายากกำหนดยากลำบากลำคาญกว่าจิตจะสงบระงับได้หรือบางทีก็าหาความสงบส ง, บสงบัดไม่ได้มีแต่ฟูงรุงคิดไปทางใหม่ถึงสติจะบังคับไว้ก็ได้ชั่วระยะเวลาแลว้วก็ไหลไปที่อย่างนั้นท่านว่าเป็นอศัศปรยะ พื้ที่ไม่สบายสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติคนนั้นองค์นั้ น, นสรามซาดสถานที่ที่เป็นมงคลเป็นสับปายะพอเข้าไปเย็นหูเย็นตาเย็นกายเย็นใจกำหนดอาจทำเข้าไปสงบระงับสิ่งที่ไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ก็เกิดเป็นเห็นรู้ขึ้นมีความสุขความสบาย จคิตอ่านอะไรแจ่มใสชัดเจนหนูหมายถึงที่สัตายะถ้าหากไปธรรมดาทัศนจรรย์ก็ไปดูแต่ภูมิประเทศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นจิตใจภายในเลยไม่รู้ไม่เห็นวัตถ า, านที่ใดเป็นสัตายะไม่เป็นสัตายะแย่ตนดังนั้นพวกเราทุกคนติดศ s a h a พยายามระจิตการบ้านส่องมา พากันกำหนดภาวนาต่างหน้าต่างตาทำความดีแก่ตนเพื่อให้เป็นมงคลแก่ตัวของตัวเพราะการจิตปรุงปุ่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆตามเห็นความเป็นของโลกเคยผ่านมาพอสมควรโดยกันทุกคนส่วนทางธรรมะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็น ยังไม่เป็นในจิตในใจปกอุตส่าพยายามศึกษาพยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าตั้งสติกำหนดพิจิรณาจริงจังจิตใจทิ่เคยหุ่นลุงต่างๆก็ๆจะสงบระงับแล้วก็จะเชื่อมัน่นแลทาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทองดีวิเศษอย่างนี้ถ้าหากจิตใจของตน ดูเห็นเด่นอยู่อย่างนี้เรื่องอัตเรียงธรรมของพระู้ทธเจ้าที่เขาไม่เชื่อใน่เลื่อมใสทั่วไปในโลกก็เป็นเรื่องของเขาเราจะเชื่อคนเดียวไม่มีใครต่อพฤติปฏิบัติในโลกเราจะปฏิบัติคนเดียวความสุขที่เห็นเด่นในใจเป็นพ ย, ยานอาจหันในการประพฤติปฏิบัติ ในขอดถอยละทิ่งมีคือผู้เห็นผู้เป็นผู้ได้ดื่มอัดทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมีความเชื่อมั่นในจิตในใจของตัวเองฉังนั้นพวกเราท่านก็ข อ, ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาทำตามโอวทาทธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจึ่งจะใไม่เป็นโมฆะบุคคล เพราะควรจีเป็นโมฮะคือควรจีไม่มีอัตธรรมอะไรในจิตในใจของตนเห็นแต่ตำหรับตำลาจำมาก่อนเพียงแต่ค้ามจำไม่เป็นหยุกเป็นยาอะไรที่จะแก้ไขที่เหลือตัญหาในตัวเหมือนอ่านตำราแก้โรคก็อไม่มีเวลาหายถ้าหากลืนยาลงไปทานยาลงไปโรคไขที่มีในตัวหันหน้าวันจะเหี่ยวหายขาดไป กายของตัวฉันใดคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันกับการทานยารับยานับวันนับเวลาจิตใจที่เคยฟุ้งฟุงจิดข้องต่างๆจะหมดออกไปหายออกไปจะเกิดความสว่างสา ว, วัยเย็นเย็นอยู่ทุกการทุกเวลามีความสุขกล้าหน้าในการปฏิบัติของตน การอธิบายธรรมะวันนี้ขอใเสียงแค่นี้เป็นัมาจะทำมาได้ไหมเราใหสัะกนี้นีนะที่ม่นยที่เอยาูงงเลนันันี่ด้วย สามามรถสาารมงัทการเงน้วยนี่จะแบบ้มันอยู่บริษัทให่รามาทำสิทธิ์เอาเงินมาดีนี่เป็ารเด็ียกับนาคาะเรา้านเป็องไน้ยตัดสินแ้ั่นใ่ันไหนได้ทน คนนไม่คนัต่อทีนั่นู่ทนั่นอยู่ที่นันอีันีอยู่ันทอนที่น่ย่ันัน่ันันัน่ย่อน มือนาไปดอันอร่ัเจการร่ตหนในตานี่ตั้หนา้เนานามนามือนอเดินหนักเ่อสีอบัน้เายา็ได้ากัต้นรนีะรับิดชอบนั่นน้มันงิ มันเป็นยักษ์ใหญ่แต่ไม่มาตกันอลยนี่น้ได้ร่างหนึ่งน้ำหับหนึ่งหลอดแล้วหายได้แต่ดีมากเลยมี่างมร่างเลยอือยิ่งยิ่งหายไเดิมตึงไม่เดิมเลยแล้วเปนอะไรก็แรงตึงไปท่านท่านเลยตอนนี้มันแผ่นลงก็มัน นั่อยู่มีพิก็เลย่จับตัวก็มันไม่ไม่เห็นผมต้องทังนดิบดิบเงาม่ติหน้าไมิดนกันจะฆ่ามันจะ่อย่นีบตัวบตัวไม่จับตัวไม่ััวจตวไ่จัวม่จับตวไมับตัไว่วม่ว่จัว่่ไบ่่ั่ มันก็เสียเข้าไปทั้รม่ไ้เดีันมีเยงไม่อยแม้เงมันไม้อีเสียนดนึ่งม่ขอไปไ้เข้างๆข้างาๆด ไม่ตนอยมเนี่ยไม่ได้ดีเลนไม่คิดถูกใจขนาดนี้ให้ไปดูบ้านใครเรืนี่ยเออเป็นแมงมันมันมันจิตแข้งง่นมก็หลือหนรมามันกยกั้วต้อนเจ้าก็เล็ดเล็ดต่างหนั้นหน่งเนยนั้นหนึ่งคนขั้นหนงคนันหนึงนขั้นหนึเี้ยงคนั้นนึงเลี้ยที่านอกได้ดีเองเลี งานดูไม่ดีนะครับงานที่เด็กเกิดตัวบบเดียวกมันได้ของเขาเด็กกันกรเด็กเนาะเนี่ยให้ดีได้ไหมสุด้ายแล้ววันนี้เลยใชเป็นวันสุดทายที่จะดูส่วนตัวหมูเราตีนหลบของเขาใส่ล้วเขานเขาเล่นอะเลยนัเ ันใสใจแล้วไมงไปตรวจถึนี้ก็จน่อยู่ข้อมือขมไหลร่อยยิ่ย่างแบบนี้เนาะฟ้วนมไยาดิเกี่ยวกับว่าไฟถึงเลยเรื่องจถือวานี่เตจนมีแดดอย่งน้นี่ตาถึงเตาออันนี้อันออกไปเรื่อยต้องเทียรไปบานเอาง่า้งเชี์าเนียาเดี๋ยวนีเตนบือ เดินไหวงั้นเตาอะไรเันม <m> ันไม่ว <m> ันเอีกเดินไปได้่โมงเดิน้ก็มาขุกต้อนเขาจะ้ขนอืมดดกอบิงาน่ะเ่าเนนดกลอล้วเลวมดตัวนอยห หยกวนัลมไยต่ังตากลมดอนกันน่น้ตานด้อัพูดไเมื่อได้จู้ดได้ลงเลยกมการของมหาลวงตขึ้นเมืนี่นหมอนหมข้นนนข้้ชา่ขึ้น่เนะกใจก็ตงี ใช่เ่าแต่เาลบตบน้ำจรจังเมดูสมาเ่านึ่งเขาเราเหนึ่งเดแล้วเดิดแล้วรินี่เป็นน่็นนี่เป็น้อน่เป็นอไ่ว่าง้อยท่ไต่ไต่หน่อยนนางตั้งอีมเนี่ยันมีดีเลยเสนเยเา้เต้นกะ มันเดินเนี้ยอยู่มันร่างเออไปวันนี้เนแล้นี่เห็นคนนเขาว่าท่านขุมมากง้ยงกุกมันไหวใจไม่ไหวน่าเบื่อสมากเขาก็มีเดิอย่างนี้เพราะเขอกมาเราะว่าทรงขายเกลียวลเป็นไไก่ด้ยฟส้ต้องไไปลเงไไปเาเดเขียนไว้เต้อบนท้อ ว่าเ so so no oh. oh. no, no, ่นหาห้องเด็กผมว่าพอจะลงโซนไอียีเอไม่ดีก็่อจะยึดตัวหมอนน่นเองเาะว่าโซตอนนีเขาไปทำอะไร่เลยร้อนใช่ไหมพี่นะัง้อน้อนเขาอย่กมกจะเปแสงเขาว่าแต่ตอนนี้ยังห้อครับใเล่นเด็กเขา้านไงหเาห็นอยนี่เป็นไอยออเห็น่ังต้องตายหน่ะเป็นตัวขจริง่าเน้ไม่กินเ เ้อกองนทีายกินได้นตมเแ้งกกต่ง <treating ART> ัานี่เปายอมอม อหเยอดอาอือะอแบบนอืีอืยวใช่ไหมใช่นะฮะเดี่ยวเด็กๆตออืออออ ี่มันจะแข็งัเป็นขั้นี่เหล่านี้มันต้องต้องเข้าองอ่าแต่ถ้็งมากเอยู่นี่อ่าะนิเาออกอะอ๋มันออ้อะไรย่างไรถือเ่งต่าตาตัว่านี่สามารถนั่งนั่ได้ออกอ่าก็มป็ั้นๆทำนั่ไม่ออกออกเรืงๆมันก็เยน่ทำนั่งเป็นยังไงไม่มีนะับ ดันเหหนัมากอ้ี่ดูแบี้็หน่ตายไอ้ตายหนักมากแกระถามันก็ลดไขงเยอย่างเดียวมันไม่่ันก็ถางหนัก็นีอย่างก็ถือก็นี่ะไนไมเ็ดง่ายเ้าัะข็งหก็เถีม่บก็ข็งก็เถยะดวนงไแเ่อเออานมันมน่ันน ตะแคงนี่มันเป็นขันขั้นเลยตะแคงมันะวิ่งได้ย่านขึนขึ้นหนกหนักตะแคงฮึฮ่นอาหารอุนๆตะแคงกลางวันถึงนี่นี่ย่างนะฮ่าถึง่างตะแคงนะฮ่าย่างตะแคงนี่นะมีข้าวญี่ปุ่นนะฮ่าแคงไม่ค่อยเยอะยังไงเนี่ยยังไม่กด เขาเด็กตัวเล็กด้วยแล้วก็ยังตื่นสายด้วยยังไม่ได้แม่นไม่ได้แม่นยังตักของไปยังไงนี่คือตัวหนาที่กำเนิดทั้งนี้ท้งนั้นถ้ามีตั้งแต่เมื่อไรก็ตามี่ไมดีมีที่องตัวเออท้องเี้ยคอยกระโดงจะิตไหมไม่ต้อไม่ต้องเราหย ีมนี่ยอเนาะเออต้องมาจากพื่นดินเยยียบไหไม่กินั้นตั้นไหนวโหโหของเนี่บของไม่กินขั้นตอนกินอะไราป่างกันตายนี่เดาอดาะไรต้อเหนเนาะนะคนอ่น ก็้ืนก็ะนกนนจะตนนะับนนคก็คคอ่ า, านั้นอไรอยไรก็ออกือก็หนยงที่ซับแต่เาไปกอนมากนแค่ิน้ตำรวจแวรชอสี้นวี่แค่รออินได้ย ม oh ีควได้เห็นเ้างเป็นอาจนรยของนิมิตเรากไปอกๆมเัแล้ก็จะต้อนรันี่หนเปารถาถึงแม้จะมีเหุม่านก ไม่ใชมตัวเมยมาตัวสัตัวแตงกวาดใชู่่ัมือนตี้เลยเี่อางี้อมานี่้ดก้้ไเหูมา่้ัักตัวรัอืมอืม มือนีนี่ทำไมนะอ็มแน้วมไม่ได้เื่องต่างติตัวตนี้อะไรดีมือก็ตัวตัวนี้ออกแต่สายเนี้แบนยางแบนยางติดนี่นี่ขนออกปต่สายก็านีแบยงติดนี่นี่ขนงอขนออกแต้ขนงอไรเนี่ยนั่รเป็น่วบางตัวคงไม่ใส่แม่แ้ออก็ต่สายเนเคราหเนี่ย คือแมัน้อยก็เป็นไอย่างเงี้ยผมตัวบางวันผมเองตายอนเตียงมาเลยันเพี้ยห้อยมันมาตีเหยียบเหียบมีเหยเขามารับก่ายห้อยนึ่งเงีเพรา่มันเห็นห้อยอยู่เราหลับเลยเขาเอาด้วยอันี้ำห้เป็นน้ำตัวคือคนละเหยวัดคนมันจะไลเลยไม่ต้องเอามาตีเลย นี Hoy, 9, 9, 5, 5. 5, 6, 5. ่น hey, really? okay. uh, um, ้จริเนยถงน้นยถัน้ะ้ตั้นั้นตอนนี้ก็หายไปสยรยเยเิ่เงนควาดูอ้จนแบจะดึงตลอดที่ตัวหัวก็โอบไปหัวใจก็โอบไปตัวมันง่ายดีถึงได้ทีเดียว